เป็นพุทธชิโนรสก็คือว่าเป็นพระโอรสเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิท ธ, ธัคกูมานกับพนางยะโสธราหรือพิมพาซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุโธธนะผู้ครองกรุง ก, งกบิลพัพัฒมหานครราหุลกุมาร น, นี้ได้ประสูติ เมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดที่เราเรียกว่าตรงกับอาสารหัสก่อนพุทธศกสี่สิบเอ็ดปีก็คือพระราหุ น, นี้ประสูตรในวันที่เจ้าชายสิสะกะุมาณนนั้นเสด็จออกพิเน ศ, เนศกรมก็คือว่าเสด็จออ ก, อออกบวช อบประชาซึ่งประวัตินั้นก็มีอยู่ว่าในวาระในวาระที่สามที่เจ้าชายสิทธัคุมานั้นปร ะ, ประ่าพระาอุทยานก็ได้พบคนตายก็เกิดความสังเวชสรดใจแล้วก็ได้เสด็จกลับในระหว่าง ครึ่งทางโดยที่ยังไม่ได้ถึงพระราอุทยานภายหลังต่อมาก็เสด็จประพาสพระอุทยานเป็นอันดับที่สี่หรือว่าเป็นครั้งที่สี่พระองค์นั้นก็ได้ไปประสบพบเห็นสมณะคือนักบุตในระหว่างกลางหุนทางซึ่งสมณะนั้นเป็นเทวทูต จำแรงแปลงมาก็คือว่าเป็นเทวดาวจำแรงแปลงมาให้เห็นให้พบเจ้าชายศิลฐะกุมานั้นเมื่อได้เห็นเทวทูตคือที่เป็นสมณะเช่นนั้นแล้วก็จึงได้ตรัสถามในสรถีว่าบุคคลผู้ น, นี้มีนามว่าเช่นใดในสรถีก็จึงไดทูลตอบว่าบุคคลผู้ น, นี้มีนามชื่อว่าสมณะ และพระองค์ก็ได้ถามต่อไปว่าสมณะนั้นมีอาชีพหรือความเป็นอยู่เช่นไรในสารถีก็จึงได้กลาบทูนว่าสมณะนั้นเลี้ยงชีวิตได้ด้วยการบินทบาทหรือเรียกว่าขออาหารเขารับประทานเลี้ยงชีวิตพระราชกุ ม, มารคือเจ้าชายทิฐะนั้น ได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เกิดความรอพระไถยว่าการบทหรือว่าการเป็นสมณะนี้เป็นหนทางที่กว้างขวางตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยงเฉพาะตนเพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องรับเลี้ยงผู้อื่นแล้วก็ยังอาหารเพียงตะวมมื้อเดียวเท่านั้นเองให้เป็นไป นอกนั้นมีเวลาว่างพอที่จะกำหนดหรือว่าคิดหาหันทางที่จะให้พ้นไปจากการแก่การเจ็บการตายนี้ไปได้ก็มองเห็นว่าช่องทางในการเป็นสมณะนั้นสามารถที่จะค้นคว้าได้มากกว่าช่องทางที่จะเป็นครวาดวิสัยเพราะครวาดวิสัยนั้นย่อมมีภาระมากต้องรับเลี้ยงบุตรภัญญา แล้วก็ยังมีภาระอื่นที่จะพึงกระทำดังนั้นก็เกิดความพรอภัยในการที่จะออกบรรพชาก็จึงได้เปล่งอุทานมาว่าสาทุโขปปชาการบวชนี้เป็นการดียังประโยชน์ให้สำเร็จในวันนั้นเองพระองค์ก็เสด็จจนถึงพระราชอุทยานแล้วก็ทรงสมราญด้วยความอิ่มใจในการระลึกถึงการที่จะออกบวชนั้น อยู่ในพระราชอุทยานนั้นตลอดทั้งวันในเวลาเย็นนั้นพระองค์ปรารบที่จะกลับพระราชวังในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีอํามาตย์ได้ไปจับภายในพระราชวังนั้นไปถึงพระราชอุทยานจึงไปกราบทูลพระองค์ให้ทราบว่าบัดนี้พระโอรสของพระองค์ประสูตรแล้ว พระนางเจ้าพิมพานั้นได้ประสูติพระราชโอรสแล้วพระองค์นั้นกําลังมีพระราชาคิดถึงเรื่องการบรรพชาอยู่แต่ก็ได้มีอมาตย์นี้มากราบทูลเรื่องการที่พระราชโอรสประสูติแล้วพระองค์ก็ได้เปล่งอุทานขึ้นมาทันทีว่าราหูลังชาตังพันธนังชาตังบวงเกิดขึ้นแล้ว เครื่องเครื่องพันธนาการเกิดขึ้นแล้วเพราะเหตุที่ว่าที่พระองค์ทรงอุทานเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าพระองค์นั้นกําลังน้อมใจไปในเรื่องบรรพชาแต่ว่าอำมาตทั้งหลายก็ได้มาทูลกล่าวถึงเรื่องว่าลูกชายนั้นหรือว่าพระราชโอรสนั้นได้ประสูติแล้วพระโอรสได้ประสูติแล้วพระองค์จึงได้อุทานไวเช่นนั้นที่พระองค์ได้อุทานเช่นนั้นเพราะอะไร ก็เพราะเหตุที่ว่าคนเราทั้งหลายหรือมนุษย์เราทั้งหลายนั้นมีบ่วงสําคัญอยู่สามบ่วงซึ่งโผลแล้วก็ตรึงตรามัดให้มนุษย์เราทั้งหลายนั้นไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปได้หรือที่จะดิ้นหลนออกไปจากโลกได้เหมือนกับปลาที่อยู่ในอในไขายยากนักที่จะดิ้นให้หลุดพ้นไปจากไข่ได้ หรือแม้แต่นอกก็เช่นเดียวกันเมื่อตกอยู่ในขายแล้วยากนักที่จะแหวกวงล้อมหรือว่าที่จะให้พ้นไปจากขายนั้นได้น้อยตัวนักหนาโดยมากก็ถูกในพรานนั้นจับไปทั้งหมดบ่วงสำคัญของมนุษย์เหล่านั้นที่สำคัญก็มีอยู่เด็กกันสามบว่วงบ่วงที่หนึ่งนั้นก็คือทรัพย์ ทรัพนี้ท่านกล่าวว่าเหมือนกับบ่วงที่ผูกข้อเท้าดังที่ภาษาบาลีว่าท่านังปาเ ท, ทรัพนั้นเหมือนกับบ่วงที่ผูกข้อเท้าสองภริยาหัตเทพัรญยญาสามีนี่เหมือนกับบ่วงผูกข้อมือและก็สามปุตโตคีเวลูกเหมือนกับบ่วงผูกข้อ บ่วงสามบ่วงนี้ถ้าหักผู้ผู้ใดสลัดเสียได้บุคคล น, นั้นสามารถที่จะไปบรรลุพันิุภานได้ทราบท่านบอกว่าเหมือนกับบ่วงที่ผูกข้อเท้าคนใดก็ตามเป็นผู้ที่มีทรัพย์สมบัติคนนั้นที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านเรือนของตอนนั้นเองแสนจะยากเพราะเป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเอง เราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์สินเงินทองมากไม่ค่อยอาจที่จะทิ้งบ้านเหลืองตัวเองไปในที่อื่นดได้เช่นจะไปนอนข้างต่างจังหวัดหรือไปแรมต่างจังหวัดนั้นก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเองเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเหมือนกับบ่วงเนี่ติดไว้ข้อเท้าคือไม่สามารถจะออกไปได้ทรัพย์ก็เช่นเดียวกันซึ่งผิดกันตรงข้ามกับบุคคลที่ไม่มีทรัพย์ สามารถที่จะไปไหนไหนได้เหมือนกับนกมีเพียงตะปีกเท่านั้นสามารถที่จะบินจรไปได้ทั่วสารทิศแต่บุคคลที่มีทรัพย์นี้ยากนักที่จะไปในที่งตามได้เพราะว่าห่วงทรัพย์สมบัติของตัวเองเมื่อในขณะที่ตนเองไม่อยู่นั้นอาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ผู้ที่ไม่ได้รับเชิญเข้ามาขนเอาไปก็ได้ท่านจินกล่าวว่ามีทรัพย์นี้เหมือนกับมีบ่วงที่ผูกข้อเท้า ประการที่สองพัญญาสามีนี้เปรียบเหมือนบ่วงผูกข้อมือคนเราโดยทั่วไปนั้นถ้าหากว่าโตคนโตคนเดียวนั้นสามารถจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างอิสระแต่เมื่อมีสามีพัญญามาผูกพันแล้วทำอะไรต้องคิดหน้ า, ค, นาคิดหลังฮะคิดหน้าคิดหลังห่วงคนที่อยู่ทางบ้านห่วงสามีห่วงพัญญาที่อยู่ทางบ้าน แม้แต่การใช้จ่ายซัย์เหมือนกันถ้าหากว่าตัวคนเดียวเราสามารถที่จะใช้จ่ายได้อย่างอิสระแต่เมื่อมีบ่วงผูกพันคือมีสามีพัญญาแล้วก็ไม่สามารถที่จะกระทำอย่างนั้นได้เต็มไม้เต็มมือได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสามีพัญญานี้เปรียบเหมือนบ่วงที่ผูกข้อมือบ่วงที่สามคือปุตโตคีเวนั้นบุตรลูกนั้นเหมือนกับโกผูกคอ ในบ่วงทั้งสองทั้งสามนั้นบ่วงอันบ่วงนี้สําคัญที่สุดลวกนี้เป็นเหมือนบ่วงผูกคอยากนักที่จะสละจะ้ลุกบางท่านนั้นอาจจะสละเ ส, ส, สียสละทรัพย์ได้เสียสละพันยาสามีได้แต่ที่จะ ส, ะสะละลูกของตนเองนั้นยากยากมากแต่ว่าในกรณีเช่นนี้ องค์พระโพธิสัตว์คือพระเวสสันดร น, นั้นได้กระทา ม, มาแล้วคือทานปะปรมัตธรรรมีทานะประมัตธรรมรมีคือได้สละเสียสละบุตรอันเป็นสุทธิลักษณ์ของตนเองเพื่อเป็นทานหวังที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธียาแต่ว่าบุคคลสามัญ ท, ทั่วไปนั้นทําได้ยากอีกประการหนึ่งท่านเปรียดว่าบุตรนั้นเหมือนกับบวงปกคอนั้นถ้าจะว่าแล้วบุตรนั้นถ้า อีกประการหนึ่งเหมือนกับเรียกว่าเป็นมานสําหรับคอหอยคนเราถ้าเป็นโสที่ไม่มีบุตรนั้นสามารถจะรับประทานอะไรได้โดยสะดวกสบายแต่บุคคลที่มีบุตรมีธิดาหรือมีลูกแล้วทานอะไรคนเดียวไม่เป็นเพราะว่าจะทานของสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็นึกถึงลูกของตัวเองที่อยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นก็ต้องซื้อไปทางกันพร้อมๆระหว่างลกูกและก็พัญญาสามีของตัวเอง อันนี้ก็นับได้ว่าลูกนี้เป็นบ่วงสำคัญประกันสามีพัญญานั้นที่แตกกันแล้วหรือว่าหยาค่ากันแล้วกลับมาดีกันได้ก็เพราะอำนาจของลูกนี้เป็นตัวที่ผูกพันประกันดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นท่านอ่ากุมารพระราชกุมารคือเจ้าชายสิตากุมาร น, นั้นเมื่อได้สดับคาว่า พระราชโอรสของพระองค์ประสูติแล้วพระนางเจ้าพิมพานั้นประสูติพระราชโอรสแล้วก็จึงได้อุทานขึ้นมาเชนั้นด้วยอำนาจแห่งการอุทานที่นี้แหละพระกุมาร น, นั้นก็จึงได้มีนามว่าพระราหุลกุมารก็คือว่าพอบวงนั่นเองกุมารที่ชื่อว่าบวงนั่นเอง ดังนั้นลาหุนกุมารนี้ก็จึงได้ประสุทธ์ในวันนั้นแล้วในวันนั้นเองเมื่อเจ้าชายศิษฐกุมารนั้นได้เสด็จกับพระราชนิเวศในค่ำคืนวันนั้นพระองค์ก็เสด็จออกบรรพชาโดยครั้งแรกนั้นพระองค์เข้าไปในห้องพระนางพิมพาเพื่อต้องการจะดูหน้าพระโอรส แตราะเหตุที่พระพาหาของพนามพิมพานั้นไปบางประพักของพระโอรสเสียจึงไม่สามารถที่จะดูได้ก็ตัดสินพระไทยว่าต่อเมื่อได้ตัดสโรนุตระ ส, สัมมาสัมโพธิญาณแล้วหรือว่าได้สแสวงหาถ้าคุณได้บรรลุคุณธรรมพิเศษที่เรียกว่าโมกะธรรมแล้วจะ ก, กลับมาดูหน้าในภายหลังพระองค์ก็ตัดสินพระไทยสละบวงทั้งสามประการนี้ออกบรรพชานในคืนนั้นคือในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปด เ่ยเพราะฉะนั้นลาหุ่นกุมารนี้จึงได้ประสูติในวันนั้นเวลาวหุ่กุมารนี้ได้ประสูติมาแล้วอยู่จนกระทั่งพระชนมายุได้เจ็ดพรรษาคือเจ็ดปีองค์พุทธเดะสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับธูนะรัตนาจากพระพุทธบิดาโดยที่ได้สั่งพระกาลุทายีไปอธูนะรัตนานั้นพระองค์ก็เสด็จ มายัางกรุงกบิลพัทเพื่อโปรดพุทธมิฏดาแล้วประทับอยู่ที่นิคโครธารามพระองค์ประทับอยู่ในกรุงกบิลพัทในวันที่เจ็ดวันที่ห้านั้นได้นําเอานันทะกุมารออกบวชในวันที่เจ็ดนี้พระองค์ก็ได้เข้าไปเสวยพระกยาหารตาม ที่พระเจ้าสุโธธนะพุทธบิดาทุนรัตนาไปเสวยพระกาหารในพระราชวังในวันที่เจ็ดนี้เองพระนางพิมพาหรือที่ในหนึ่งว่าพระนางยาโสธลานีก็ได้แต่งกายของพระราหุนกุมารนี้แล้วก็ได้พูดกับพระราหุนว่าพระมหาสมณนะ ซึ่งมีรูปร่างสง่างามที่ประทับนั่งอยู่ท่ามกลางภิสูสง์ทั้งหลายนั้นผู้นั้นเป็นบิดาของเจ้าเพราะฉะนั้นเจ้านนะจงไปทูลขอราชสมบัติต่อพระองค์ซึ่งแต่แรกเดิมนั้นมารดานั้นหรือแม่นั้นได้เคยเห็นว่ามีสมบัติ อยู่ทั้งสี่มุมเมืองแต่ว่าเมื่อพระราชาบิดาเมื่อพระบิดาของเธอน่ะของเจ้านั้นออกบรรพชาแล้วสมบัตินั้นได้หายไปหมดเธอจงไปขอสมบัติอันนั้นแก่พระบิดาของเธอจึงได้ส่งราหุ่นนี้เข้าไปสู่เอเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาวหุ่นกุมารผู้นี้เมื่อเข้าไปอา่าไป ไปสู่ที่ใกล้ของพระสัมมาสัมพุทธจ ه, เจ้จาแล้วก็ได้เจรจาปราศัยโดยอาการแสดงความรักชันบิดากับบุตรอยู่ต่างๆ น, นานาโดยการพระนาว่าร่มเง า, าองของพระสมณะนี่เย็นสบายบ้างยังไม่ได้ทูลขอจนกระทั่งที่ถึงเวลาที่องค์สุเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับ ราหุลกุ ม, มารนี้จึงได้ระลึกถึงคําที่มารดาส่งสั่งมาก็จึงได้วิ่งตามหลังมาทูลขอพระราชสมบัติวิ่งตามไปพลางก็ทูลขอพระราชสมบัติพลางองค์ทุนเทพสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าก็ทรงรดําริว่าสมบัติทรัพย์สมบัติภายนอกนั้นเป็นของไม่ถาวรมั่นคงมีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเสื่อมสูญหายไปได้ ไม่มั่นคงตถาคตควรจะให้ทรัพย์อันประเสริฐแก่เธอคืออริยทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในพระองค์ดํำริอย่างนั้นแม้ราหุลกุมารก็เสด็จตามทูลไปเช่นนั้นผู้อํามาตทั้งหลายก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้เพราะเหตุที่ว่าพระราชกุมาร น, นั้นเสด็จตามพระพุทธบิดาไปราหุลกุมาร น, นี้ได้ตามพระพุทธองค์มาจนกระทั่งถึงที่ประทับคืนนิโครธาลามัม องคุณเอกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดําริเช่นนั้นแล้วว่าควรที่จะให้อริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐซึ่งเป็นทรัพย์ที่ไม่สามารถจะสูญหายได้โจรผู้ลายก็ไม่สามารถที่จะฉกชิงวิ่งราวไปได้อริยทรัพย์เจ็ประการที่พระองค์ทรงดํารินั้นเป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ประเสริฐนั้นก็คือหนึ่งศรัทธาความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อสองศีล การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสามหิริความละอายต่อความชั่วทุจริต 4. ีโอต ป, ปะความสนุ่มกลัวต่อความชั่วทุจริตห้าพาหุสจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามากคือจำพวกที่จำทรงธรรมะและก็รู้รศิลปะวิทยาต่างๆ หจารคะการเสียสละให้ปันสิ่งของที่ตนแก่คนที่ควรจะให้และเจ็ดปัญญาคือการรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เจ็ดประการนี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์อันประเสริฐเรียกว่าทรัพย์ภายในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าทรงดำหนิว่าควรที่เราจะให้ต่อพุทธบุตรหรือว่าพระราหุลกุมารนั้นจะประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอก ดังนั้นเมื่อพระราหนุนีได้ตามเสด็จมาจนกระทั่งเออเออจนกระทั่งถึงที่ประทับพระองค์ก็จึงตรัสให้พระให้พระสารีบุตรอัครสาวกขว่ายขวานนั้นว่าเธอจงยังราหุนกุมารนี้ให้บวชคือให้จัด ก, การบวชราหุนกุมารนี้เสียท่านพระสารีบุตรนั้น ก็ยังมีความสงสัยว่าจะทำอย่างไรจะบวชลาหุ่กุมารนี้อย่างไรได้เพราะเหตุที่ว่าพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้แล้วว่าบุคคลที่จะบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาหรือเป็นภิกษุในพุทธศาสนาได้นั้นจะต้องมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์แต่ลาหุ่นกุมารนี้มีอายุเพียงเจ็ดพรรษาเท่านั้นก็จึงได้ทูลถามพระองค์ก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบวชลาหุนนี้ให้เป็นสมณ โดยให้รักษาศีลสิประการแล้วให้ใช้วิธีการบวช ด, ด้วยไตรสน า, าคมซึ่งการบวชนี้เคยทรงอนุญาตให้พระสงฆ์สาวกบวชเป็นอุปชาบวชบุคคลผู้ต้องการบวชในพุทธศาสนาแต่ภายหลังเมื่อประธานการอุปสมบทให้เป็นหน้าที่ของพิสุทธิ์ ส, สงฆ์แล้วโดยให้บวช ด, ด้วยยติจตุธกรรมวาจาโดยที่มีราธะ เถระนั้นเป็นองค์แรกพระองค์ก็ทรงให้เลิกการบวชโดยไตรสรน า, าคมเสียดังนั้นพระองค์ก็จึงได้นำวิธีการบวชโดยไตรสรน า, าคมนี่แหละมาให้ใช้เป็นการบวชเป็นสมณเ น, น์ดังนั้นเราก็จึงวิธีนี้จึงได้ใช้บวชสมณเน์นมาจนถึงปัจจุบันนี้และลาหุงกุมารนี้แหละนับว่าเป็นสมณน์นองค์แรกในโลกในพระพุทธศาสนา เมื่อราหุนกุมารบวชเป็นสมมาเนตแล้วได้ตามเสด็จพระบรมศาสดาและพระอุปัชายะคือของตนคือธรรมปรสาลีบุตรไปจารึกเที่ยวไปในที่ต่างๆอยู่มาจนกระทั่งอายุครบบริบูรณ์ยี่สิบพรรษาก็จึงได้การอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งท่านพระราหุนนี้อยู่ที่สวนมะม่วงแห่งหนึ่งในกรุงราชคลึ พระบรมศาสดาก็เสด็จไปที่นั่นทรงสแสดงเทศนาโปรดลาหุนโดยให้โดยชื่อว่าราหุโลวาทสุคือเป็นพระสูตรที่ให้โอว่าสั่งสอนพระราหุน mm. เนื้อความแห่งโราหุโลวาทสูตรนี้ว่าด้วยภาชนะน้ำเปล่าบรรยายเปรียบเทียบกับคนพูดมุสาวาท คือในพระสูตรนี้บรรยายถึงเรื่องว่าคนที่พูดมาสาว่านั้นเปรียบเหมือนภาชนะที่ใส่น้ำแต่ไม่มีน้ำเหมือนกับโอง ห, หรือว่าตุ่มสำหรับใส่น้ำแต่ว่าหาไม่มีน้ำไม่ทรงตรัสสอนให้พระราหุนนี้สำเนีกตามพระธรรมเทศนาแล้วก็จึงได้เสด็จ ก, กลับไปวันหนึ่งพระราหุนก็ได้เข้าเฝ้า อยู่มาวันหนึ่งพระราหุนนี้ก็ได้เข้าเฝ้าองค์ทุเลศพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์ก็ได้สั่งสอนโดยเทศนาที่ชื่อว่ามหาราหุโรวาทสุก็เป็นพระสูตรว่าด้วยให้การให้โอวาทแก่ท่านพระราหุนนั่นเองซึ่งในพระสูตรนี้พระองค์ได้ทรงเทศนาโปรดโดยการยก ว่าขึ้นด้วยทรมัทเทสนาว่าด้วยรู ป, ปรกรรมาฐานคือยกาธาตุทั้งห้าขึ้นแสดงก็ได้แก่ปัทวีธาตุคือาธาตุดินอาโปาธาตุธาตุน้ำเตโชาธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมและอากาศาธาตุคือช่องว่างที่มีอยู่ในร่างกายเราเอง ขึ้นแสดงให้พิจารณาโดยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราส่วนนั้นไม่เป็นของเราส่วนนั้นก็มาเฉดตัวตนของเราก็คือว่าพระองค์ทรงให้พิจารณาถึงสังขารของเราเองนี่แหละซึ่งประกอบไปด้วยท่าทั้งสี่และก็ช่องว่างในระหว่างร่างกายของเราคือที่เราสมมติกันเรีย ก, กว่าตัวตนนี้ว่าไม่ใช่ตัวมาเฉดตนของเรา คือเข้าในลักษณะที่เรียกว่าทรงสแสดงอนัตตาหรืออนัตต ร, รคณนสุขนั่นเองและในที่สุดพระองค์ก็ทรงตรัสสอนในกรรมฐานอื่นๆอีกคือให้เจริญภาวนาคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและก็ให้เจริญอสุภสัญญาก็คือให้เห็นว่า สังขารร่างกายของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามอันนี้จะสัญญาให้มีสัญญาว่าเป็นของไม่เที่ยงมีการเกิดขึ้นและแปรปลวนไปเป็นธรรมดาและในสุดท้ายก็ถึงการแตกดับหรือแตกสลายไปท่านทรงสั่งสอนจบอย่างนี้แล้วท่านพระราหุลก็มีจิตกินดีรับฟังคําสอนของพระพุทธมรรสดา แต่ก็ยังไม่สามารถที่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ต่อมาในภายหลังนั้นพระราหุนี้ได้ฟังพระโอวาทที่พระองค์ทรงสั่งสอนในทางวิปัสสนาซึ่งในพระธรรมเทศนาหรือในโอวาทนี้คล้ายกับโอวาทที่ตรัสสอนพระปัญจวคีเป็นแต่ว่าในที่นี้พระองค์ทรงยกอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นขึ้นแสดงแทงขันห้ ก็คือว่าพระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงสั่งสอนปัญจะวะัคคีทั้งห้าจนกระทั่งได้บรรลุพระอรหันตผลเป็นพระอรหันตขึ้นมาในโลกนั้นก็พระองค์ตัดเรื่องอนัตตลักษณสูตรคือพระสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งความไม่มีตัวไม่มีตนหรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนโดยพระองค์ทรงยกขันห้าขึ้นแสดงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เหล่านี้เป็นของไม่ใช่ตัวใช่ทดแต่ในโอวาที่พระองค์ทรงสั่งสอนแก่พระราหุนีพระองค์ทรงเปลี่ยนยกเอาอายตนะภายในหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อายตนะภายนอกหกก็ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโพธพพะแล้วก็ธรรมารม เหล่านี้ว่าเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่เชตตัวไม่เฉติตนเป็นของที่ไม่เชตตัวไม่เฉตตนเป็นอนัตตาท่านพระสาลีบุตรอาท่านพระราหุเลเถระเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนานี้แล้วก็ส่งกระแสจิตไปตามพระธรรมเทศนานั้นก็ได้บรรลุพระรหัสพุทในวันนั้นเอง ท่านพระลาหุนนั้นปรากฏตามประวัติของท่านว่าเป็นผู้ใครต่อการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมากเพราะตามตำนานได้กล่าวว่าท่านพระลาหุนนี้ตั้งแต่การอุปสมบทมาแล้วเมื่อรุกขึ้นจากการจำวัดในตอนเช้านั้นจะ ชายพระหัตตนี้กอบทรายขึ้นเต็มพระหัตต์แล้วก็ตั้งความปติเนาว่าวันนี้ขอให้ข้าพเจ้านั้นได้รับฟังโอวาทคําสั่งสอนจากสํานักของพระบรมศาสดาหรือจากสํานักของพระอุปชาอาจารย์ทั้งหลายนั้นให้ได้มากเท่ากับประมาณเม็ดทรายในกํำมือของข้าพเจ้านี้ด้วยเหตุนี้เอง ท่านพระราหุนนั้นจึงได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทั้งหลายในด้านเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาท่านพระราหุนนี้ก็ได้ดเป็นกำลังอันสำคัญในการประกาศศาสนาองค์หนึ่งเหมือนกันท่านดำรงพระชนมายุสังขารมาอยู่โดยสําควรแก่การกอปรินิพานการปรินิพานของท่านนั้นปรากฏว่า นิพพานก่อนพุทธปรินิพานคือก่อนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สถานที่ปรินิพานนั้นท่านได้ไปปรินิพานอย่างชั้นดาวดึงเทวโลกคือที่แท่นบรรดุกัมพลศิลาอัดในข้อนี้เราจะรู้ได้จากประวัติของท่านภาษาลิบุตรในการที่ภาษาริบุตรเมื่อพิจารณาแล้วว่าเหลืออีกเจ็ดวันทนั้น จะปรินิพพานก็คิดดำริว่าเราจะปรินิพพานที่ไหนดีก็ได้มาวารบว่าป่าหิมพานนั้นที่ใกล้ใกกับสะชะทันชทันนั้นท่านพระัญญากณทิญญาก็ปฏินิพพานแล้วและแท่นบรรดุกมพลทิลาอ่านนั้นท่านพระราหุนก็ไ ป, ปราปฏินิพพานแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไปปฏินิพพานอย่างบ้านเดิมคือห้องที่ตนเองเกิดมานี่แหละจึงนับได้ว่าท่านพระลาหุนนั้น นิพพานก่อนพระพุทธองค์และก็ปณิพานที่ชั้นดาวดึงคือที่แท่นบรรดุกมพลศิลาอัประวัติของท่านพระราหุนก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้คราวนี้ก็ถึงวาระการบรรยายถึงประวัติของท่านพระมหาเถระอันดับที่สาสิบเกคือประวัติของท่านพระอุบาลีมหาเถระท่านพระอุบาลีมหาเถระนี้เป็นบุตรแห่งในช่างกระระบบในช่างกระระบกนี้ก็เป็นช่างที่แต่งผม ในพระนครกบิลพัทเดิมท่านก็ชื่อว่าอุบาลีเมื่อเจริญว้ยวัฒนาขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นที่เลื่อมใสเจริญพระทัยแห่งพระเจ้าแห่งเจ้าสักยะทั้งห้าพระองค์ก็ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งให้เป็นในภูษามาลาการแห่งเจ้าสักยะแห่งเจ้าสากยะบงนั้นก็คือว่าอุบาลีนี้ เมื่อจเจริญไวัอเจริญเติบโตมาแล้วก็มีอาชีพคือเรียนศิลปะรับถ่ายทอดอาชีพของบิดาของตัวเองก็คือเป็นช่างกระบบที่เรียกว่าเป็นช่างแต่งผมนะเป็นช่างกระบบหรือช่างแต่งผมก็นับว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการที่ว่าเป็นช่างแต่งผมมากเพราะฉะนั้นก็จึงเรียกว่าเป็นที่พอใจของพวกสากยะวงทั้งห้า ซึ่งสักยะวงทั้งห้านี้ก็ได้แก่ท่านพระพัทธยราชาอนุรุตธกุมารอานันทักุมารพระคุกุมารและกิมพิละกุมารจนกระทั่งเป็นที่พอใจแล้วก็จึงให้ได้ให้รับตําแหน่งเป็นนายภูษามาลาการนายภูษามาลาประจําตัวของแต่ละ่แตละพระองค์เรียกว่าเป็นนายช่างภูษามาราประจําพระองค์ของสักยะวงทั้งห้าพระองค์ด้วยกัน ในเมื่อสักยวงทั้งหลายนี้ต้องการที่จะแต่งพระเกศาหรือว่าแต่งพระกายต่างๆก็ให้ในอุบาลีผู้นี้เป็นผู้จัดการแนะนำและตกแต่งให้ท่านเมื่อพระบรมศาสดา น, นั้นสเสด็จมาโปรดประยุรญยญติที่กรุงกบิลพัทจนกระทั่งถึงเจ็ดวันแล้วพระองค์ก็ได้สเสด็จจากกรุงกบิลพัทเสด็จ ไปประทับอยู่ที่อนุปิยอำเภวันอนุปิยนิคมที่อำเภวนารามของมรลคกษัตริย์ครั้งนั้นเองสักยกุมารทั้งห้าพระองค์ก็คือพัทยาราชาอนุรุธอานันทะพัคุอิมพิระทั้งห้าพระองค์นี้พร้อมกับเจ้าชายแห่งโกดิยวงอีกพระองค์หนึ่งคือพระเทวทัต ได้เสด็จมีความประสงค์ต้องการที่จะบวชในพระพุทธศาสนาได้เสด็จออกจากพระนครนั้นด้วยเจตโรงเทเสนาเพื่อจะออกไปบวชในพระพุทธศาสนาก็มีอุบาลีผู้เป็นในภูสามาราคาูสามาลานีได้ติดตามเสด็จออกไปด้วยพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุปิยอำพวัน ที่แค ว, วนมันลลกษัตริย์นั้นเมื่อไปถึงที่แควนแล้วในขณะที่ว่าออกจากพระนครไปด้วยด้วยจตตรงเกษนานั้นเมื่อสิ้นเขตแห่งกรุงกบิลพัทหรือว่าสิ้นเขตแห่งแว่นแคว้นสกตะชนบทนั้นก็จึงได้ให้จตตรงเกษนานั้นกลับโดยที่ตนแอบโดยที่เสด็จไปด้วยพระบาท จนกระทั่งที่ไปถึงที่อนุปิยาอัมภวันเมื่อไปถึงอนุปิยาอัมภวันแล้วเจ้าชายแห่งกษัตริย์ทั้งห้านี้จากแห่งสักยะทั้งห้าพร้อมทั้งเทวทัตนี้ก็ประสงค์ที่จะบวชก็จึงได้ถอดเครื่องประดับของตัวเองนั้นมอบให้แก่อุบาลีโดยกล่าวว่าทรัพย์สมบัติเพียงแค่นี้ก็สามารถที่เธอนั้นจะ เธอนั้นจะเลี้ยงชีพไปได้ตลอดชีวิตโดยมอบห้แล้วก็สั่งให้อุบาลีนี้กลับอุบาลีนี้กลับได้นำเครื่องประดับที่เจ้าสักยะและก็โกริยะมอบให้เช่นนี้แล้วกลับมาได้หน่อยหนึ่งก็มาดำริขึ้นในใจว่าธรรมดานั้น เจ้าหรือแกษัตริย์ทั้งหลายนั้นเป็นคนที่โหดร้ายเพราะว่าเมื่อเราได้นำทรัพย์สมบัติเช่นนีก้กลับไปกลับไปกราบทูลนั้นถ้าหากว่าท ร, ทรงเชื่อเราก็ดีอยู่แต่หากว่าไม่ทรงเชื่อแล้วอาจจะคิดไปได้ว่าอุบาลีผู้นี้ได้ฆ่ากษัตริย์ทั้งหกองพระองค์แล้วแล้วก็ได ลิฟต์เอาทรัพย์สมบัติเช่นนี้เครื่องประดับตกแต่งอย่างนี้กลับไปเมื่อเกิดคดีที่อเมื่อพระราชาไม่เชื่อเช่นนี้แล้วก็จะจับเรานี้ฆ่าสิดังนั้นก็คิดว่าแม้แต่เรากลับไปอันตรายก็จะมีขึ้นเลขประการหนึ่งก็ตนเองก็ประสงค์จะบวชแต่ว่าเมื่อเจ้าสักยะเหล่านั้นทรงสั่งให้กลับ ก็ไม่สามารถจะขัดพันดำหลัดได้แต่เมื่อมาคิดถึงชีวิตเช่นนี้แล้วก็คิดว่าถึงแม้ว่าเจ้าสกยะทั้งห้าและก็เจ้าโกลิยะพระองค์หนึ่งจะฆ่าตนเสียเองก็ยอมก็จึงได้เอาเครื่องประดับนั้นห้อยเสียที่ตอไม้และที่กิ่งไม้ต่างๆโดยกล่าวว่าเมื่อบุคคลใดต้องการก็จกเอาไปเถิดแล้วตนเองก็กลับเข้ามาหา เจ้าชายทั้งหกพระองค์กราบทูลเรื่องราวแล้วก็บอกว่าตนเองนั้นใคร่ที่จะบวช ด, ด้วยดังนั้นเจ้าชายทั้งหกก็ยินยอมแล้วจึงได้กราบทูลต่อองคุนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอุบาลีผู้นี้เป็นคนชายของขา้าพุเจ้า ทั้งในครั้งก่อนนั้นเป็นคนช่างข้าพเจ้าต้องคลอยกราบไหว้พิณอภิษฐ์เท้าข้าพเจ้าอยู่ข้าพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นเพื่อจะเป็นการที่เรียกว่าทําลายมาณนะแห่งความเป็นกษัตริย์ของข้าพเจ้าของข้าพุทธเจ้าเสียขอให้พระองค์นั่นจงพระราชทานการอุปสมบทให้แก่อุบาเหร่ผู้เป็นนายภูสามาลากาก่อน เพื่อที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้กราบไหว้ท่านพระอุบาลีต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าก็ทรงโปรดประทานตามความความตามพระประสงค์ของเจ้าชายทั้งหกพระองค์นั้นก็จึงได้บวชอุบาลีนี้เป็นพระภิกษุก่อนกว่าเจ้าชายทั้งหกพระอุบาลีนี้เมื่อได้อุปสมบทแล้ว ได้ฟังพระกรรมฐานที่องคุณเถรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเป็นผู้ไม่ประมาทอุตสาบมเพนเพียนไม่ช้านักก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันและท่านนั้นปรากฏว่าได้ศึกษาทรงจำพระวินัยยปิฎกได้อย่างชำนิชำนาญแม่นยำมากจนเป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการที่จะวินิจฉัยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยได้เป็นอย่างดีในข้อ น, นี้จะพึงเห็นตัวอย่างได้ที่ท่านได้รับพุท ธ, ธานุญาตให้เป็นผู้วินิจฉัยอธิกร์สามเรื่องด้ียกันคือหนึ่งเรื่องพารตัจชกะวัตถุสองอชุกะวัตถุและก็สามกุมารกัสปะวัตถุในสามเรื่องนี้จะขอยก นำมากล่าวเพียงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องกุมารกัปะวัตถุคดีเกี่ยวกับเรื่องกุมารกักศปะวัตถุนี้ก็มีเรื่องราวอยู่ว่ามีหญิงสาวแห่งตระกูลตระกูลหนึ่งตนเองนั้นเมื่อจเจริญวัยรุ่นสาวคนมาจนกระทั่งถึงอายุอาขึ้นมานั้น ตนเองมีความประสงค์จะบวชอยากจะบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาได้ขออนุญาตมารดาบิดาแล้วมารดาบิดาก็ไม่อนุญาตไม่ยอมอนุญาตให้บวชอยู่มาจนกระทั่งอายุถึงสิบหปีบิดามารดานั้นก็จัดให้มีให้แต่งงานกับชายคนหนึ่งที่มีทรัพย์สมบัติในตระกูลเสมอกัน เมื่อแต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่อย่างบ้านสามีแต่ว่าหญิงสาวผู้นี้กุลธิดาผู้นี้ต้องการที่จะบวชยังมีความเรื่มใสยอยู่เสมอยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใจก็คิดว่าเราควรจะทำดีให้สามีของเรานี้เกิดความรักใคร่และเราจะขอบวช ด, ดังนั้นนา น, นั้นก็จึงได้ปรนิบัติวัดถากสามีโดยประการต่างๆจนกระทั่งให้เกิดความรักให้สามีนี้เกิดความรักใคร่ อยู่มาวันหนึ่งนางนั้นก็จึงได้ออกปากขออนุญาตสามีที่จะบวชในพระพุทธศาสนาสามีนั้นก็ด้วยความรักและก็เห็นความดีความชอบที่นางนั้นปรนตบัติก็จึงได้อนุญาตดังนั้นเมื่อสามีอนุญาตแล้วนางก็จึงได้บวช เป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเพราะเหตุที่วันนางนั้นเป็นเด็กและเพิ่งแต่งงานจึงไม่รู้ว่าตัวเองนั้นตั้งครันมาเมื่อบวชเป็นภิกษุณีแล้วอยู่ต่อมาต่อมาครันนั้นก็จึงได้โตขึ้นเมื่อครรนโตขึ้นก็เลยเป็นที่ลังเกียจ แก่ภิกษุณีทั้งหลายซึ่งภิกษุณีที่ตนเองไปบวชนั้นเป็นภิกษุณีซึ่งเป็นสธิวิหาริกหรือว่าเป็นสิทธิของพระเทวทัต ด, ดังนั้นก็ใอาภิวภิกษุณีทั้งหลายก็จึงเกิดความรังเกียจขึ้นหาว่านางนี้เป็นผู้มีศิทธวิบัติไม่ใช่เป็นภิกษุณีโดยกล่าวหาทํานองว่านางนี้ ได้มีทองในขณะที่ว่าตนเองหรือว่าได้ประพฤติผิดประเวณีเกี่ยวกับชายในขณะที่ตนเองเป็นภิกษุณีนางนี้ก็จึงได้กล่าวแสดงความบริสุทธิ์ของตัวเองนานับประการภิกษุณีผู้นี้ว่าตนเองนั้นมีศีลบริสุทธิ์แต่ว่าภิกษุณีหลายรูป ก, ก็ไม่มี <c oughs> ไม่ได้เชื่อถือก็จึงได้นาเรื่องนี้ เข้าไปเรียนแด่ท่านพระเทวทัตท่านวระเทวทัตเห็นปรากฏว่าพิสุนีผู้นี้มีครันขึ้นมากต็ตัดสินให้สึกทันทีแต่พิสุนีผู้นี้ไม่มีความต้องการที่จะสึกเป็นค า, ารวาสและด้วยตนเองนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์มีศีลบริสุทธิ์ด้วยแต่ว่าตนเองไม่ทราบว่าตนเองนั้นมีครันมาก่อนก็จึงได้ จึง <c oughs> ได้กล่าวแก่ภิกษุณีกระเพรเภิกษุณีทั้งหลายว่าท่านอย่าทาให้ออย่ายังให้ดิฉันเนี่ยชิบหายจากเพศของสมณะเลยดิฉันบวชขึ้นมานั้นไม่ได้บวชเจาะจงท่านพระเทวทัตบวชเจาะจงองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นขอให้พวกเธอทั้งหลายนั้นจงนําเราไปเฝ้าองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด พิสุนีทั้งหลายผู้ที่เห็นใจก็จึงได้พาพิกษุณีลูกนี้มาอย่างสำนักของพระบรมศาสดากราบทูลเนื้อความให้ทราบให้ทรงทราบองค์ทุนณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะทรงทราบแล้วว่าพิสุนีผู้นี้เป็นบริสุทธิ์เป็นผู้บริสุทธิ์แต่เพื่อกันค ว, ความขรหรนินทาพระองค์ก็จึงได้ตั้งกรรมการขึ้น ทั้งฝ่ายสงและฝ่ายคราวาัดเพื่อวินิจฉัยเพื่อวินิจฉัยอนิกรในเรื่องนี้ว่าพิสูุนีผู้นี้เป็นผู้บริสุทธิ์หรือเปล่ากรรมการาฝ่ายสงนั้นก็ได้แก่ท่านพระอุบารีเถระเป็นประธานฝ่ายคราวัด น, นั้นก็มีสองท่านเดยกันท่านหนึ่งก็ได้แก่ อ, าอนาธถมินิกะเศรษฐี ฝ่ายชายอีกท่านหนึ่งฝ่ายหญิงก็ได้แก่นางวิสาขามหาอุบาสิกาตั้งให้ทั้งสามท่านนี้เป็นผู้วินิจฉัยคดีของนางอของพิสุณีรูปนี้เมื่อตั้งกรรมการทั้งสามท่านแล้วนางวิสาขาก็นำนางพิสุณีรูปนี้เข้าไปอย่างห้องได้ตรวจดูครั้นต่างๆถามวันเดือนปี แห่งการที่ตนเองได้บวชและตนเองที่แต่งงานแล้วก็ดูคลันแล้วก็ปรากฏแน่ชัดว่าภิกษุณีผู้นี้มีท้องตั้งแต่ก่อนที่จะมาอุปสมบท <c oughs> โดยที่ตนเองนั้นไม่ทราบหรือไม่รู้ตัวก็จึงได้มาแจ้งเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีก็เลยวินิจฉัยทันทีว่าภิกษุณีรูปนี้ เป็นผู้บริสุทธิ์ยังเป็นสมณะไม่ขาดไม่ด่างพร้อยไปจากความเป็นสมณะก็จึงได้กลับถูเรื่องนี้แต่พระบรมศาสดาพระบรมศาสดานั้นก็ทรงตรัสสาทุกการที่วินิจฉัยด้วยความเป็นธรรมอาศัยความที่ท่านพระอุบาลีเถระนั้นเป็นผู้วินิจฉัยววนัยได้อย่างถูกต้องนี่แหละ เป็นผู้จำพระวินัยได้อย่างแม่นยำจึงได้รับยกย่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นว่าเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทิ์ทั้งหลายฝ่ายเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระวินัยหรื อ, อยังหนังอีกนยยัยยหนึ่งที่เราเรียกกันว่าเป็นพระวินัยทอนท่านพระอุบาลีนี้ได้มีอายุอยู่มาจนกระทั่งหลังพุทธปนิญญาผ่าน เพราะในคราวที่กระทําปรมสังขยานานั้นปรากฏว่าท่านพระมหากระสปะเป็นประธานได้สอบถามพระวินัยแล้วท่านพระอุบาลีเถระนี่แหละเป็นผู้สังขยานาพระวินัยและมีพระอนนเทเถระเป็นผู้สังขยนาพระธรรมดังนั้นท่านก็จึงอยู่มาจนกระทั่งหลังพุทธปรินิพาน เป็นพระเถระองค์หนึ่งซึ่งมีความสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากคือเป็นผู้ที่ได้วิสันาเริ่มต้นหรือว่าเป็นผู้ที่ร่วมกันทาประถมสังคีติหรือว่าสมสังขยนาอันจัดพระธรรมรวินัยนั้นให้เป็นหมวดเป็นหมู่ได้แก่ปิฎกทั้งสามประการคือพระวินยัยยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็น หลักพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สุเดวดสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นหลักฐานซึ่งเราท่านทั้งหลายนั้นได้ถือปฏิพฤิปฏิบัติกันมาจะตราบเท่าทุกวันนี้ท่านพระบาลีมหาเถรนั้นได้ดำรงชนมายุมาโดยสมคอสมควรแก่การก็ดับขันธปรินิพพานก็ประวัติของท่านพระบาลีนั้นก็จบเพียงแค่นี้ ต่อไปก็เป็นประวัติของท่านพระมหาเถระองค์ที่40คือท่านพระพัทถยะพระเถระสักยะราชาท่านพระพัทถยะสักยะราชานี้เป็นโอรสของสากยะกัญญาคือนางกษัตริย์แห่งสักยะพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่ากาลิโคทาราชเทวีในกรุงราชพฤกในกรุงกบิลพัฒน์ ทรงพระนามว่าพัทยราชกุมารเมื่อจเจริญวัยขึ้นมาแล้วก็ได้เสวยราชสมบัติสืบสกยะวงศ์ต่อมาเพราะหลังจากที่พระเจ้าสุโธทนะเสด็จที่วงคตแล้วก็ได้สืบสกยะราชวงศ์ต่อมาภ <c oughs> ายหลังอนุรุธกุมารอนุรุักุมารผู้เป็นสหาย ได้มาชักชวนให้ออกบรรพชาในชั้นต้นเองท่านพระพัทยยาชาผู้นี้ก็ไม่พอใจที่จะออกทรงผนวดด้วยก็จึงได้พูดจาจึงได้ตรัสพระวาจาบ่ายเบี่ยงโดยประการต่างๆแต่ผลสุดท้ายก็จำเป็นต้องยอมบทด้วย เพราะเหตุที่ว่าไม่สามารถที่จะขัดคำขอร้องของท่านอนุรุทธกุมารซึ่งอนุทธกุมารซึ่งเป็นพระสถายได้เมื่อตัดสินพระไทยยอมอ อ, อ, ออกบทเช่นนี้แล้วก็จึงได้ไปกราบทูลพระมารดาสระลาชสมบัติแล้วเสด็จออกไปเฝ้าพระบรมศาสดาที่อนุพิยะอัมพวันแควนมละ พร้อมด้วยพระราชกุ ม, มารทั้งห้าพระองค์ก็คืออนุรุทธะอานันทะพักคุกิมพิละและก็เทวทัตซึ่งมีอุบาลีผู้เป็นนายมาสามอในภูสา ม, มาราเนี่ยเป็นตามเสด็จไปด้วยได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยครั้นพระพัทิยาลาชานี้ได้อุปสมบทแล้วเป็นผู้ไม่ประมาท อุสาบำเพ็ญสมณธรรมไม่นา น, นะคือภายในพรรษานั่นเองก็ได้บรุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านได้บรุพระอรหัตแล้วไม่ว่าท่านพระมหาเถระองค์นี้จะไปณที่ใดๆหรืออยู่ในที่ใดๆก็ตามคือจะไปไปในป่าก็ดีอยู่ใต้ลมไม้ก็ดี หรือในที่เลือนว่างหรือในแห่งอื่นก็ตามก็มกักจะเปล่งอุทานอยู่เสมอๆว่าเอาโหสุขขังเอาโหสุขขัง้งสุขหนอสุขหนอดังนี้สม่ำเสมอๆจนกระทั่งพิสูุน์ทั้งหลายนั้นได้ยินได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็จึงคิดว่าพระพัทยาราชาผู้นี้คงจะนึกถึงความสุขในราชสมบัติ ที่ตนได้เสียสละมาแล้วเมื่อมาอยู่เป็นสมณะนี้นอนกลางดินกิกลางทรายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็นึกถึงความสูญนันรสมบัติจึงได้เปล่งอุทานเช่นนี้ก็จึงได้นำความเรื่องนี้เข้าไปกราบทูลต่อองค์ทศเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสเรียกพระพัทถยะราชาเถระนิมาจึงตรัสถามว่าเธออุทานเช่นนี้จริงหรือ พระัทยาราชาก็จึงได้กราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่ะแล้วก็การที่เธออุทานเช่นนี้ น, นั้นน่ะเธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงได้เปล่งอุทานเช่นนี้ท่านพระพัทยาราชาก็จึงได้กราบบังคมทูลพระผู้มีพระพเจ้าว่าเมื่อก่อนนั่นข้าพระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ต้องจัดการรักษาป้องกันทั้งภายในวังและนอกวังทั้งภายในเมืองและนอกเมืองตลอดทั่วทั้งอนาเขตตลอดทั้งกลางวันกลางคืนแต่ถึงอย่างนั้นแม้ข้าพพุทธเจ้านั้นจะมีคนคอยรักษาหรือเรียกว่าทหารรักษาพระองค์นั้นอยู่เป็นเนืองนิดอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนทั้งภายนอกภายในแล้ว ก็ยังหวาดกลัวสะดุ้งอยู่เป็นนิดเรียกว่ายังมีขนชันอยู่เสมอด้วยความกลัวแต่เดี๋ยวนี้ข้าพระพุเทธเจ้านั้นแม้จะอยู่ในป่าก็ดีอยู่ใต้ลมไม้ก็ดีหรืออยู่ในที่ว่างจากเลือนแห่งอื่นก็ดีไม่เคยมีความกลัวแล้วไม่เคยหวาดเสียวไม่เคยสะดุ้ง เป็นผู้ที่ <c oughs> ไม่ต้องขวนขวายในการที่จะป้องกันรักษาความปลอดภัยอีกเป็นผู้ที่มีขนตกเป็นปกติไม่ลุกชันเพราะความกลัวเหมือนกับครั้งก่นกอนอาศัยอาหารที่บุคคลอื่นให้เลี้ยงชีวิตมีใจดุดมลึกคือดุดเนื้อสายหรือว่าดุดเนื้อ ข้าพระพุทธองค์นั้นเห็นอํานาจประโยชน์อย่างนี้ก็จึงได้เปล่งอุทานอย่างนั้นพระเจ้าค่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วก็ทรงเปล่งอุทานชมเชยขึ้นในเวลานั้นท่านพระพัติยราชาผู้นี้พระองค์นั้นเป็นกษัตริย์คือเกิดในตระกูลของกษัตริย์ และนอกจากจะเป็นเกิดในตระกูลกษัตริย์แล้วซึ่งจัดว่าเป็นตระกูลที่สูงและท่านนั้นก็ยังได้เป็นกษัตริย์เสวยราชสมบัติสิอันเสวยราชสมบัติแห่งกรุงกบิลละพัทมาอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเสียสละราชสมบัติอันเป็นความต้องการของมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้ออกบทได้ด้วยเหตุนี้แหละ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จึงได้สรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูงความจริงแล้วภิกษุผู้เกิดในสกูลสูงนั้นก็มีหลายองค์ด้วยกันคือแม่แต่อแม่แต่ท่านพระนันทะ ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ท่านพระราหุนก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ท่านพระอนนท์ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์เหมือนกันก็นับว่าตระกูลสูงแต่ว่า <c oughs> ท่านที่ได้กล่าวพระนามมาเช่นนั้นเป็นต่เพียงว่าเกิดในตระกูลกษัตริย์ยังไม่ได้ครองราชเป็นกษัตริย์หรือเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านพัยราชาผู้นี้ เกิดในตระกูลกนศัตร์แห่งศักยะเช่นกันแต่ได้สเสวยราชสมบัติสืบสกุลต่อมาแล้วยังได้เสียสละออกบทเพราะฉะนั้นก็จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ว่าเป็นผู้เกิดในตระกูลสูงท่านนั้นได้เป็นกำลังใหญ่ในการช่วยประกาศศาสนา ตามความสามารถของตนเองและประวัติของท่านนั้นก็เป็นที่น่าศึกษาว่าการมีชีวิตอยู่ในเพศคารวาสนั้นแม้จะเป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจชั้นใดก็ตามแต่ก็ยังไม่ไวที่จะมีความหวาดหวัน่นต่อศัตรูที่จะมาปองร้ายเพราะเหตุแห่งการ เพ่อชีวิตแต่พอได้อุปสมบทเป็นพิกูจน์ในพระพุทธศาสนาแล้วสําเร็จพระอาหารหันตเป็นผ่ า, ารหังขึ้นในโลกแล้วเป็นผู้ที่ปราศจากความกลัวต่ออันตรายชีวิตทุกประการเรียกผู้ง่ายๆว่าเป็นผู้ที่ไม่มกลัวตายเพราะฉะนั้นคนถ้าหากว่าไม่มีความกลัวตายแล้วก็เรียกว่าไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความหวาดสะลุเพราะเหตุที่ว่า กิเลสตัณหาทั้งหมดท่านนั้นกัละได้แล้วจึงเป็นความสุขชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องเที่ยวหวาดสะดุง้งหรือหวาดเสียวต่อไปดังนั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามเป็นผู้ที่ไม่มีความหวาดเสียวหวาดดุง้งก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่เสมอดังที่ท่านได้อุทามเสมอๆว่าอาโหสุขขังอาโหสุ ข, ขังแต่ว่าสุขหนอกท่านนั้นก็ได้ดำรงพระชนมายุอยู่มาโดยสมควรแก่การ ก็ดับขันธปรินิพานแต่การที่ท่านพระมหาเถระรูปนี้คือท่านพระพัิยราชานีจะปรินิพานก่อนพุทธปรินิพานหรือหลังและก็ปรินิพานที่ไหนนั้นในตำนานนั้นก็ไม่ปรากฏท่านกล่าวถ้าเป็นคำรวมๆ ว, ว่าอยู่มาจนกระทั่งพระชนมายุ โดยสมควรแก่การกนดับขันทปรลินิพพานก็ไปอันว่าจบประวัติของท่านพระพัฒยราชาเพียงเท่านี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านสาธุชนและนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพ